ทีต่อไปก็คงจะได้กล่าวถึงข้อความในปรมาทธติปณีต่ออีกนะครับซึ่งเมื่อภาคเช้าเราก็ได้พูดถึงภะควาไปความหมายที่หนึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็มาขึ้นภะควาในที่สองสังเกตดูนะครับว่าในพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะ ยินดีในการพันณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับให้เห็นคุณของพระองค์ก่อนเมื่อเห็นคุณของพระองค์ก็จะเห็นคุณในคําสอนของพระองค์เพราะว่าผู้ที่ไม่เห็นคุณของพระองค์จะเห็นคุณของคําสอนได้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะนิยมสรรเสริญหรือพันณาคุณของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดก่อนแล้วคล้ายๆกับว่าพันณาความสามารถของพระองค์ให้เห็นชัดก่อน แล้วก็จะเห็นคุณค่าของคําสอนที่พระ อ, องค์ทรงแสดงไปนี้โดยยุคหลังๆเท่าที่เราสังเกตแล้วก็เอาธรรมะไปเลยโดยที่ยังไม่รู้ว่าธรรมะเนี่ยของใครพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงทําไมอะไรยังไงเหล่านี้ก็ตอบไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเข้าใจพระธรรมแต่ก็ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าคือทําไม่ค่อยเข้าใจในคุณของพระองค์แล้วก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะรักษาธรรมะเหล่านั้นได้อย่างตลอดสาย คือที่จะเข้าใจพระธรรมแล้วจะ ป, ะปฏิบัติธรรมตามอย่างลึกซึ้งก็ยากเพราะไม่ไม่รู้คุณของพระองค์เลยว่าทำไมพระองค์จึงจึงตรัสสูตรเหล่านั้นๆเป็นต้นมาแล้วธรรมะเหล่านั้นช่วยได้อย่างไรก็ความในประมัธทีปนีอัตถกถาคุธกานิกายอยติวุตกะนะครับในหน้าสิบสามกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระาเพราะหมายความว่า ทรงอบรมพุทธกุรกะธรรมนะครับคืออบรมธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งคําถามว่าเออที่ว่านี่เป็นอย่างไรคือพุทธกุรกะธรรมนะครับธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นใดมีอาทิอย่างนี้คือมาดูว่าธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านะครับการเป็นพระพุทธเจ้านี้เนื่องจากประพฤติปฏิบัติธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะ เหมือนกับใครจบขแขนงใดแขนงหนึ่งก็มาดูว่าวิชาที่เขาเรียนเนี่ยเรียนอะไรมาบ้างเขาจึงจบจึงเรียกเป็นด็อกเตอร์เป็นต้นในสายนั้นๆ น, น, นี่เราก็มาดูก่อนว่าเออธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านี่มีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าเป็นต้นอย่างนี้คืออันนะพอเป็นตัวอย่างนะครับหอมปากหอมคอคือบารมีสิบบารมีสิบนั้นก็ได้แก่ทานบารมีศีลบารมี เนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีนะครับนี่เรียกว่าบารมี10บแล้วบารมีเหล่านี้ก็ยังมาแบ่งชั้นอีกนะครับชั้นธรรมดากับชั้นอุกฤษเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอุกฤตเพิ่มกว่าธรรมดาก็เรียกว่าอุปปบารมี ก็มีอีกสิประการก็คือทานะอุปปารมีศีลอุปปารมีเนคขมะอุปปารมีปัญญาอุปปารมีวิริยะอุปปารมีขันติอุปปารมีสัจจะอุปปารมีอธิษฐานอุปปารมีเมตตาอุปปารมีและอุเบกขาอุปปารมีคือมันเฉียดเข้าไปอีกนะครับมันลึกซึ้งเข้าไปอีกเช่นถ้าทานบารมีก็จะให้ของทั่วๆวไปถ้าทานะอุปปารมีก็ถึงกับสละอวัยวะว่างั้นแต่ ถ้าทานปรมมัถธาปรมีก็ต้องถึงกับสละชีวิตเนะเพราะฉะนั้นปรมมัถธาปรมีนั้นก็มีอีกสิทคือทานนปรมมัทธาปรมีศีลปรมมัถธาปรมีศีลปรมมัทธาปรมีก็ได้แก่ศีลที่รักษาเสมอด้วยชีวิตนะครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าพระภูริทัตนะครับท่านยอมตายท่านไม่ยอมเสียศีลเป็นต้นนะศีลท่านดีขนาดนั้นศีลแบบนั้นจึงเรียกว่าศีลปรมมัทธาปรมี เนคข ม, มะประมัตถปรามีก็สละที่จะทิ้งบ้านทิ้งเมืองออกบวชได้นะครับยิ่งใหญ่บวชแบบยิ่งใหญ่จริงๆว่างั้นเถอะหรือเนคข ม, มะคือการเจริญสมถะนะถ้าจะเอาชั้นสูงเลยแล้วก็ปัญญาปรมัตถปรามีก็คือปัญญาที่สามารถช่วยชีวิตสัตว์ทั้งหลายได้นะปัญญาระดับนั้นยังเรียกว่าปัญญาปรมัตถปรามีแล้วก็วิริยาระารมีก็ปรมัตถปรมีก็คือวิริยะแบบทุ่มเทจริงๆนะครับ เพียนแบบชนิดที่เรียกว่าเอาเลือดเนื้อเป็นเป็นเดิมพันต่างกันเลยในการบำเพ็ญกุศลนั้นๆนะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีขันติบา ร, รมีคือความไม่โกรธนะครับถึงเขาจะฆ่าก็ไม่โกรธนะถ้าท่านมาในบำเพ็ญแล้วแล้วก็สัจจะบา ร, รมีถ้าท่านพูดคําไหนก็ตายก็ยอมถ้าได้ลั่นวาจาสิ่งนั้นไปแล้วนะครับจะต้องทําสิ่งนั้นอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสัจจะบา ร, รมีของท่านแล้วก็มีอธิฐานบา ร, รมีตั้งจิตมั่นนะครับ ทิฏฐานบารมีก็เหมือนกับพระเตมีใบ้นั่นแนหะเป็นเลิศในเรื่องของอธิษฐานเลยแล้วก็อย่างเมตตาปรมัตถบารมีก็เมตตาถึงขนาดที่ว่าผมมีระดับชานจิตนั่นแหละครับเมตตาจนถึงขีดว่าไม่ไม่นึกกลัวใครนะครับไม่นึกกลัวใครเพราะอนุภาพแห่งเมตตานี่นะครับไม่นึกมีความมีโทสะกับใครเลยนะสำนวนเขาว่าสัตว์ทั้งโลกเหมือนหลานเราหมดเหมือนลูกเราหมด ลูกที่เราน่ารักนะลูกที่เรารักนะมาจากลูกอย่างอื่นนะลูกหัวแก้วหัวแหวนลูกปโปรดของเราว่างั้นเถอะเมตตาแบบนั้นแหละและพระ อ, องค์ก็ยังมี อ, อ, อุเบกขาบารมีวางเฉยจนขนาดเขาปัสสาวะรถก็ไม่นึกโกรธเลยนะวางทําตัวคิดว่าเหมือนแผ่นดินนะแผ่นดินนี้ยเขาเยี่ยวใส่แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่เห็นโกรธอะไรท่านก็ทําใจแบบนั้นอนะ่ะอันนี้ลักษณะของอุเบกขาระดับปรมตภิปารามีของท่าน เออพออกันครับยังอุเบกขาเนี่ยเออมันไม่ใช่คนละอย่างกับอุเบกขาที่เป็นเป็นฌานใช่ไหมอุเบกขาในที่นี้ก็คือหมายความว่าบารมีท่านเก้าข้อที่ท่านบำเพ็ญนวนะท่านไม่ยึดติดในบารมีเหล่านั้นทนะั้งหมดวางใจในในสิ่งที่ทำไปแล้ว คือคนโดยมากนะเราสังเกตดูนะว่าเขาทําอย่างใดอย่างหนึ่งประสบความสําเร็จแล้วก็จะนั่งกำพึงนั่งดีอกดีใจเพลิดเพลินหรือทําสิ่งใดไปไม่เสร็จก็จะมานั่งเสียใจเป็นต้นเนี่ยนะแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ่อของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าทําดีเสร็จก็ไม่ได้มานั่งหูยิ้มแย้มไหนเรานี่ดีจริ ง, รงๆเลยไปเที่ยวชื่นทําเสร็จแล้วก็แลว้วกันไปเลยไม่ได้มีข้อผูกพันอะไรสักอย่างหมอนกันแ นะลักษณะนั้นอาจเป็นอุเบกขาปรมัตถปรมีของท่านขอเกิดครับท่บอกว่าเวลาทําบุญแล้วให้มีอะไรฮนะเวลาระ ล, ลึกถึงบุญเก่าแล้วก็จะได้บุญเพิ่มอีกอะไรจำลองนั่นนะอย่างนี้นถือว่าเป็นการผูกพันอะไรไหมก็ถ้าระลึกถึงเจตนาก็ไม่ชื่อว่าผูกพันนะนะเพราะนึกด้วยกุศลจิตนะนะนึกแล้วก็ดีใจในภายหลังอนะแต่ แต่ที่ว่าอผูกพันก็คือแหมวันนั้นนะเราให้มากกว่าคนอื่นเนี่ยนะไปเที่ยวคุยข่มคนอื่นเป็นต้นนะะแกเนี่ยไม่เคยให้ทานเลยฉันนีให้ทานมาต่างเ ย, ยะอะแยะลักษณะเนี่ยที่ทเขาว่าคิดด้วยอำนาจกิเลสนะนะแต่ถ้าธรรมดาแล้วพระองค์สอนให้เจริญเรียกว่าจาคานุสติลึกถึงเจตนาที่ให้นั้นนะนะโอ้เจตนาให้เนี่ยได้เจริญดีแล้วหนา อ, อย่างเงี้นะอะทีนี้ ส่วนลักษณะของอุเบกขาบารมีเนี่ยนะครับกับอุเบกขาพรมิหันก็ตระกูลเดียวกันเพราะว่าได้แก่ตัตระมัชทะตาเหมือนกันคือวางใจเป็นกลางได้เหมือนกันเขาบอกว่าคิดดูนะว่าเมตตาเนี่ยนะครับเหมือนผู้ที่กําลังมีลูกที่กําลังน่ารักเลยนะไม่รู้สึกขัดหูขัดตาอะไรสักอย่างเลยนะในลูกที่น่ารักนั้นลักษณะของเมตตาลักษณะของกรุณาก็คือถ้าลูกคนนั้นเนี่ยป่วย สงสารจับจิตจับใจอันนั้นเป็นลักษณะของกรุณาถ้ามุ้ทีตาลูกที่กําลังเจริญเติบโตกําลังได้รับความสุขความเจริญเนี่ยนะเจริญเรื่อยๆเนี่ยลักษณะนั้นก็มุ้ทีตาดีใจแบบกับลูกไปส่วนลูกออกเรือนออกบ้านออกชาญออกช่องไปแล้วก็ก็วางใจได้แล้วว่าลูกเราไปสบายแล้วลักษณะนั้นคืออุเบกขา นั้นอุเบขาบารมีเนี่ยท่านมาเรียงไว้สุดท้ายเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าบารมีที่ทําก่อนหน้านั้นทั้งหมดไม่เอามาเป็นข้อผูกพันเลยไม่ได้ผูกพันยึดติดด้วยอํานาจสังกิเลสคือตันหาเป็นต้นเลยนะครับไม่ได้ผูกพันด้วยชั้นราคะเลยคือลักษณะเห็นว่าช่วยสัตว์ก็คือช่วยเพื่อช่วยจริงๆเมื่อเขาพ้นทุกข์ก็วางใจแล้วน ะ, ะยกตัวอย่างว่าถ้าท่านจะช่วยชีวิตใครสักคนหนึ่ง เ, เมื่อเขารอดตายแล้วจะไม่คิดว่าเออแกเนี่ยนะฉันช่วยกัน ฉันช่วยแกแล้วนะแกต้องมาตอบแทนฉันนะแกต้องหันมาขอบคุณฉันเป็นต้นนะจะไม่มีคำเหล่านี้ว่าถ้าคุณมีชีวิตอยู่คุณพ้นจากทุกข์แล้วก็หมดภาระของฉันนะภาระเขามีเท่านั้นแหละนั่นลักษณะของบารมีเพราะฉะนั้นอุเบกขาบารมีนั้นแทบเป็นมงกุฎของบารมีทั้งหลายเพราะจะวางใจแล้วนะครับจะวางใจจะไม่ยินดียินร้ายเลย แต่ตอนผมอ่านเรื่องอุเบกขาบอร์มีที่เอาไปไปนอนไปครุกฝนไปให้เขาถมน้ำลายลถไปให้เขาฉี่รถผมก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาที่ท่านทำอย่างนี้อะไรเงี้ยท่านก็ลองดูนะครับว่าอุเบกขาท่านเปนแน่นอนขนาดไหนอ๋อเจตนาเพื่อทดลองดูนะภาคทดลองอันนั้นก็คือของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายของเราอย่าไปทดลองนะอย่าไปเปิดโอกาสให้กิเลสเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะลองดูซิว่ามันยังโลภะหรือเปล่านะครับ เหมือนกับว่าเอ๊ดูซิว่ากิเลสหมดหรือยังแล้วก็ไปเที่ยวดูบาเที่ยวพับเนี่ยนะเอาหนังสืออาณาจารย์มาดูเนี่ยก็แย่เ yeah, สียหายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลองแล้วครับจเจริญไปเถอะ น, นะแล้วก็มีบารมีสรุปแล้วก็คือบารมีสามสิบทัศนะครับ น, นะบารมีสามสิบทัศน์แล้ว รวมเป็นบารมีทั้งหมด30ท้วนและพระองค์ก็ยังมีสังขาวัตถุ4ประการวัตถุเป็นเครื่องสงเคราะห์นะครับมีทานปิยวาจาอัตเจริยาสมานตตานะครับพระองค์ก็ยังมีสังขาวัตถุวัตถุที่สงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่คู่ควรแก่การจะได้ของพระองค์ก็ให้ของไปสัตว์ทั้งหลายที่ควรยินดีในถ้อยคําที่ไพเราะพระองค์ก็พูดถ้อยคายําไพเราะนะสัตว์ทั้งหลายที่คู่ควรแก่การประพฤติ สม่ำเสมอพระองค์ก็ประพฤติสม่ำเสมอเนี่ยนะหรือว่าคนที่ต้องการคําแนะนําก็จะให้คําแนะนําเป็นต้นลักษณะ น, นั้นคือเรื่องขอสังขาวัตถุนะครับเออในข้อกาศครับในข้อสังขาวัตถุสี่เนี่ยรู้สึกว่าข้อสุดท้ายเนี่ยประพฤติตนสม่ำเสมอผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ค, <ม> ค, คือเรียกว่าวางตนสม่ำเสมอเนี่ยนะคือเขาก็าอธิบายว่าคนที่มีเพื่อนเยอะๆเนี่ย เพื่อนบางคนเขาต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือในด้านวัตถุไปอันนี้เป็นลักษณะของทานนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยนะครับเขาต้องการถ้อยคาที่สบายสบายใจนะก็พูดถ้อยคาปิยะวาจาใช้คําที่น่ารักน่าเชื่นชมกับเขาอันนั้นเพื่อนบางคนต้องการแค่นั้นจริงๆอันนี้นี่อันนี้ข้อหนึ่งกันนะแล้วข้อต่อไปนะอีกคนหนึ่งเขาต้องการคำแนะนํำ อัตจริยาเนี like now, ่ยอยากช่วยเขาอยากต้องการช่วยเหลืออสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าบ้างเขาต้องการคำช่วยเหลือเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําเป็นต้นก็ช่วยเข้าไปนะก็เป็นอัตจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แหละเพื่อนบางคนเนี่ยนะแค่ว่าได้มาร่วมคลุกคลีกันเที่ยวด้วยกันอะไรกันเนี่ยนะคบหาสังสรรค์กันก็พอแล้วเขาไม่ต้องการอย่างอื่นจากนั้นเลยเรื่อว่าได้สํานวนเราเรียกว่าร่วมสังคมกันบ้างนี่ก็พอแล้วว่างั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้ว ลักษณะนั้นเป็นลักษณะของสมานนตตานะครับพระพฤทธเสมอกันแต่ไม่เสม อ, มสมอว่าเป็นพระราชาก็ต้องไปทําตัวเหมือนอํามาตะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือมีการมาคลุกคลีมีการมาเกี่ยวข้องกันบ้างะนะลักษณะนั้นนะเป็นสมานนตตามีบางรูปมั น, นท่านอธิบายอย่างนี้ว่าสมานนตาก็คือการที่ไม่ดูถูกดูหมิ่นคนที่รู้จักกันมีความตนมีตนเสมอในลักษณะที่เหมือนกับเพื่อนเป็นเพื่อนกันได้ ถึงว่าเออถึงว่าจะมีอ่จะเป็นคนรวยกับคนจนก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่มีการดูถูกดูหมิ่นกันะเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันได้เป็นมิตรกันเป็นก็คนะือเกี่ยวข้องกันได้นะครับคบหาสมาคมกันได้นั่นเองลักษณะของสมานตาตาประพฤติตนเสมอเน่ยนะก็คือหมายความว่าไม่ถือตัวจนเกินไปว่างั้นเถอะลักษณะเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยตัวจนน่าเกลียดนันนะเอกับสมัยชีวิตาเนี่ยมันคล้ายคล้ายกันไหม อ๋อนั้นเคือเรียกว่าหลักของการดํารงชีวิตนะครับหลักการสมรชีวิตาก็คือใช้ชีวิตที่สม่ําเสมอเนี่ยเหมาะสมหมายความว่าหลักการใช้ทรัพย์นะนะหลักการเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเศรษฐีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องการสแสวงหาทรัพย์เป็นต้นนะนะว่าเมื่อสแสวงหาทรัพย์ควรแสวงหาด้วยวิธีใดเป็นต้นนะตลอถึงสมชีวิตาก็คือถ้าได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตในลักษณะไหนเป็นต้นนั่นเองอันนั้นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํา เฉพาะครอบครัวเฉพาะตั ว, ตวก็คือเอามาใช้สอยเป็นนั่นเองนะครับใช้สอยควรแก่ฐานะนเป็นต้นน่นนะทีนี้ต่อไปเลยว่าพระองค์นี้ทรงมีอธิษฐานทำรรอีกสี่ประการธรรมะเป็นที่ตั้งมั่นนะครับสี่ประการซึ่งจะมีขยายข้างหน้าต่อไปแล้วพระองค์ก็ยังมีมหาบริจาคอีกห้าประการนะครับคือบริจากร่างกายนะนะ ของสมัยนี้ก็เออตายไปแล้วเป็นศพก็อุทิศซากให้โรงพยาบาลทั้งหลายนี่ก็ดีแล้ ว, ลวก็สง่งเคราะห์ไปโดยสง่งเคราะห์ไปแต่ทีนี้เราเราพูดถึงแต่ของพระองค์เนี่ยนะให้ร่างกายเนี่ยนะบริจาค ก, ก็ให้จริงๆนะแบบเป็นๆ น, นี่แหละแล้วก็บริจาคในตาคนะวักตาให้อันนี้ก็มีก็เหมือนกับในศีวิราชาดกนะครับ แล้วก็การบริจาคทรัพย์เนี่ยนะให้ให้แก้วแหวนเงินทองก็ดูพระเวสสันดรเป็นต้นนั่นเองหรือแม้กระทั่งการสละราชสมบัตินี่นะครับยกสมบัตินี่นะก็คือสละโดยการไม่อะไรเลยออกบวชทิ้งจากเลยเนี่ยก็าือว่าเสียสละแล้วนะครับสละราชสมบัติแล้วก็การบริจาคบุตรและพันยาให้ลูกให้เมียคือบุตรพันยาบางแห่งก็รวมหนึ่งเลยนะครับ หรือบางนะครับบุตรกับพันยานี่รวมหนึ่งแล้วก็เพิ่มชีวิตเข้ามาอีกนะครับให้ชีวิตเป็นทานาแล้วพระองค์ก็ยังประพฤติบุพพะประโยคบุพพะประโยคก็คือคืออะไรครับคือการบำเพ็ญสมถวิปัสนาเป็นต้นในอดีตชาติมาอย่างเพียงพออย่างนั้นแหละบุพพะนี่แปลว่าก่อนใช่ไหมครับประโยคก็คือความประพฤตินั่นเองประโยคะนะการประกอบความเพียรในการก่อน หมายความว่าเจริญทั้งสมถะวิปั ส, สนามาเป็นอย่างดีแล้วในอดีตชาตินะครับในชาติอย่างในชาติที่ท่านเกิดเป็นโชติตาละมานพเนี่ยนะอดีตชาติก็ประพฤติทั้งสมถะวิปั ส, สนาทรงทั้งพระไตรปิฎกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปุพพะประโยคนี่ต้องทํามาเป็นอย่างดีว่างั้นคนเรียกว่าบุญเก่าทำไว้เยอะพูดแบบราวก็คืองานเนี่ยนะเมื่อวานนี่ยทำไว้เยอะแล้วอันวันนี้มาทําต่ออีกนิดหน่อยก็เสร็จนะครับ นะของเราอาจจะมาเริ่มทำงานนะครับหรือมาเริ่มฝึกงาน่ะนะแต่ของท่านถ้าทำงานมาจนชํานาญแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งดูถูกตนนะนะแต่ถ้าไม่ค่อยดูถูกเลยเนี่ยมันก็จะเลยเถิดมันกันเงินึกไวไ้าใดดีแล้วนะ <c oughs> แล้วก็พระ อ, องค์ก็ยังมีบุพจริยาความประพฤติที่เป็นที่มีประโยชน์มาแต่ก่อนนะครับเป็นอย่างดี แล้วก็ยังมีการกล่าวธรรมมีการแสดงธรรมตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆั้นคิดดูนะท่านเป็นปุโรหิตท่านก็สอนนะสอนพระราชาทั้งหลายเป็นต้นหรือเป็นพระราชาทั้งหลายก็สอนทำการกล่าวธรรมถ้ายิ่งอ่านในชาดกจะเห็นว่าทุกๆุกชาติจะมีการกล่าวธรรมเนี่ยมากนะครับท่านก็มีการกล่าวธรรมมาในอดีตและก็พระจริยาที่เป็นประโยชน์แก่โลกเรียกว่าโลกัตถจริยาการประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลกนะ ว่าจะช่วยเหลือโลกในต้องช่วยเหลือในแง่ไหนบ้างก็ช่วยเหลือไปแล้วก็จริยาที่เป็นประโยชน์แก่พญาตคือการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายนั่นเองอันนี้ก็พระโพธิสัตว์จะไม่ละเลยในการสงเคราะห์ญาติแล้วก็จริยาที่เป็นประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้านะพุทธะจริยาเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องประพฤติประโยชน์ยังไงบ้างต้องทําอะไรอีกบ้างนะฉะนั้น ก็จะมีการฝึกหัดนะครับบอกวิชาฝึกหัดเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาสีอสงไขยแสนกับนะครับวิชานี้ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นที่พระที่พระมหาสัตว์ทั้งหลายพูดถึงความวขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งมวลเนี่ยนะคือทําทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องประพฤติเพื่อโลกทั้งหมดนะผู้ประมวลธรรมะแปดประการมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นเอาไว้อย่างพร้อมมูแล้ว คือหมายกันว่าก่อนที่จะมาทําอย่างนี้นะก็คือมีการประมวลธรรมะแปประการเรียกว่าอัตตธรรมะสมุทานเนี่ยแปประการกะทำรร ม, มหาอภินิหารไว้เพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาตหมายกันว่าไอ้ข้อปฏิบัติก่อนหน้านี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะมีเมื่อไหร่เริ่มมีตอนที่ท่านเป็นสุเมธบัณฑิตนะครับเป็นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะท่านมีองค์คุณครบทั้งแปประการมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นนะครับ ถึงกับเสียสละชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็กระทํามหาพินิหารมหาพินิหารก็คือความปารถนาหนึ่งตั้งความปารถนาว่าเร า, าข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราหลุดพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้คนอื่นโล่งใจด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เราปรินิพานแล้วก็จะให้สัตว์อื่นปรินิพานด้วยเพราะฉะนั้นอภินิหารตัวนี้ก็คือความปาถนานั่นเองแต่ความปาถนาอันนี้จะสําเร็จได้ก็ต้อง ประกอบด้วยองค์ประกอบ8 ป, ประการมีความเป็นมนุษย์พบพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นนักบวชอุทิศชีวิตเนี่ยแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแล้วชาตินั้นเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งความปรารถนาก็บรุเป็นพระอรหรันต์นะถ้าถ้าไม่มาตั้งความปรารถนาแบบนี้นะชาตินั้นจะเป็นชาติสุดท้ายแต่แต่ที่นี้ว่าท่านบอกว่าสละอรหัตผลที่อยู่ในเอื้อมมือเนี่ยนะครับซึ่งฟังเนี่ยนะท่านจะฟังเท่าๆกับพระภาหิายะท่านก็บรุแล้วในชาตินั้นนะ แต่เนื่องจากว่าการุณาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายมั้งนะวันชีวิตที่เหลือสีอสงไขยแสนกับที่ว่าเนี่ยชีวิตเพื่อสัตว์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงยกย่องว่าแม้กระทั่งตกนรถ ก, ก็ตกเพื่อสัตว์ถามว่าคือที่ตกเพื่อสัตว์นี้ทำไมจึงพูดอย่างนี้คือหมายความว่าควรที่จะพ้นทุกข์แล้วอ่ะเมื่อเสีอสงไขยแสนกับก็ไม่ยอมแต่ไอาระหว่างการบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะครับเราก็ต้องนึกนะว่าเมื่อลงมาในโลกเนี่ยนะครับ เกิดมาในโลกที่ที่สกปรกสมมเนี่ยนะด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเป็นต้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อไปครบปาประมิตรที่ไม่ทําบาปเป็นไปได้ไหมมันก็ต้องมีการทําบาปบ้างเป็นครั้งคราวนะครับบางชาติทําบุญบางอย่างทําให้ไปเกิดเป็นแม่ทัพอย่างงี้ไม่ฆ่าได้ยังไงครับก็กำลังเป็นแม่ทัพใช่ไหมบางชาติถักไปมีเพื่อนเป็นนักเลงเอามันก็เป็นไปตามเพื่อนตามฝูงบ้างในระหว่างที่ที่มีปลาประมิตรทั้งหลายแหละแต่พอท่านสํานึกตัวท่านจะรีบแก้คืนหมดเลย แต่ให้เห็นว่าแม้แต่ตกนรกเนี่ยนะก็ก็เพราะว่าได้ตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยนะท่านไม่เกรงกลัวต่อ น, นรกเล ย, เยนะก็มีบ้างเหมือนกับเราเราจะไปช่วยคนให้ออกจากซักสถานที่สักแห่งหนึ่งนะซึ่งเขากำลังเล่นโคลนกันเนี่ยนะระหว่างทางถามว่าไม่เปื้อนเป็นไปได้ไหมนะเขาศาสตร์เราเราก็ศาสตร์เขามั่งอะไรมั่งไปแต่ว่าที่ที่ไปเนี่ยไปเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นจริงๆนะครับ นะทีนี้ที่ท่านกะระทํามหาพิณิหารคือตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะที่ควรบําเพ็ญเนี่ยนะท่านได้บําเพ็ญให้บริบูรณ์หมดเลยนะหมายความว่าข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะควรจะมีเท่าไหร่ท่านทําได้เท่านั้นท่านทําทั้งหมดเท่านั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าหากว่าถ้าจะว่าแบบย่อๆหน่อยก็คือพุทธการกะธรรมนะที่เป็นเหตุเพิ่มพูนบุญ สรุปแล้วนะเพิพ่มภูมิบุญว่าบุญเนี่ยจะเกิดได้ยังไงท่านจะทําบุญเพื่อบุญนะครับให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อสมมติว่าทานเล็กๆน้อยๆเพื่อทานที่ยิ่งใหญ่ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปนะแล้วก็เพิ่มภูมิญาณเนี่ยท่านเรียนเพื่อความรู้จริงๆนะครับรู้วันนี้สะสมเพื่อความรู้วันต่อไปเรียนเพื่อรู้รู้อย่างเดียวเพิ่มไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพุทธะกรธรรมเนี่ยนะครับทำที่ทําให้เป็นพระพุพทธเจ้าเหล่านั้นที่พระ อ, องค์ทรงบําเพ็ญเนี่ย คือทรงสั่งสมมาโดยเคารพทำนี่นะทาแบบคนตั้งใจทํานะครับไม่ได้ทำศักแต่ว่าทำทำแบบค า, าระวะหวังนั้นทําด้วยความเคารพทําด้วยความหนักแน่นอย่างครบถ้วนไม่ขาดสายนะครับต้องระวังเนี่ยังไม่ขาดสายสิ้นเวลาสี่อสงไขยกําไรเศรษอีกแสนกลับนะครับเขาบอกว่าท่องตรัสไว้ในเวปุลสูตรนะครับบอกว่า กับหนึ่งเนี่ยนะฮะสัตว์ทั้งหลายตายกับหนึ่งเนี่ยนะกระดูกเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายไม่เน่าสลายเนี่ยนะตั้งไว้เฉยๆแ่นั้นแหละกองกองกองใหญ่กว่าเขาเวพาระบันพศหรือเวปุระบรนพศนะครับซึ่งที่ในเมืองราชครึก น, นะทีนี้นี่นิกกับเดียวนะแล้วแสนมหากับเนี่ยนะมันต้องกองศพเนี่ยสูงขนาดไหน น, นะแล้ว อสังขัหนึ่งก็คือเลขศูนย์ร้อยสี่ิบตัวจึงเรียกอสังขยัยทีนี้สีอสังขัยเศษอีกแสนกับเนี่ยควรจะกระดูกกองโตขนาดไหนจึงจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้เวลาขนาดนั้นนะครับแต่ทีนี้ของเราไม่ได้ทำอภินิหารอะไรไว้เลยก็กระดูกเนี่ยมันกองโตเปล่าๆว่างั้นน่รกป่า ช, าช้าเฉยๆเนี่ยนะเกิดมากระดูกมันกองใหญ่โตแต่ว่าไม่ได้มีบา ร, รมีอะไรไเลยว่างั้น รกป่าชา้าเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีคุณธรรมอะไรแต่อีกสูตรข้างหน้าจะมีต่อไปนะครับสูตรที่ผมกล่าวเนี่ยน ะ, นะครับนับแต่มหาพินิหารนะครับคือที่พระองค์ได้ทรงตั้งความปรารถนาในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและพระองค์ก็ได้รับพุทธภรรยรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวธีปังกรโดยที่พุทธกัลกฐธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับมิได้อยู่ใน ในความเสื่อมเลยคือหมายคือว่าพราะองค์บำเพ็ญบารมีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยนะครับบำเพ็ญได้สิบพรุ่งนี้เก้าปรืนนี้แปดมาเรื่นนี้ไปก็เป็นเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอะมันลดลดลดล ด, ลดไปแบบนี้ไม่มีครับไ อ, บอไ้เรียกว่าหาณาภากยะไม่เป็นเลยส่วนแห่งความเสื่อมแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความเศร้าหมองด้วยนะครับทําแล้วก็คลุ ก, ค ล, กคลีว่า ง, งั้นมีเศร้าหมองกิเลสเจือปนผสมผสานไปเนี่ยไม่มี หรือไม่ได้ตั้งอยู่ในฝ่ายหยุดชั ง, งักอะไรเลยนะครับทำไปแล้วก็วันนี้เนี่ยนะทำหนพรุ่งนี้ก็มาหนึ่งอีกเท่าเดิมเปรื่อนนี้ก็หนึ่งเรื่อยๆก็หนึ่งอยู่นั่นแหละไม่นับ2เท่าทีหนึงนะเคยให้สมมตินะขอไปคือว่าสมมติยกตัวอย่างบางคนว่าให้ทานทับพีเดียวก็ทับพีเดียวจนตายอันนี้ไม่มีนะครับก็จะเพิ่มเป็น2อสามทัพพีจนถึงให้เป็นทั้งถังเลยนั้นก็ให้เป็นหม้อหมนะจะให้เพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจะไม่หยุดชั่ ง, งักอยู่แค่เดิมเท่าเดิม จะไม่อนุรักษ์นิยมคือของแต่ละชาติของแต่ละชาติคนจะมีแต่ทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในของชาตินั้นๆนะของชาตินั้นๆเนี่ยจะจะทำเพิ่มไปเรื่อยๆทุกชาติแบบนี้จะเพิ่มไปเรื่อยถ้ามีโอกาสทํามากทํามากแต่ก็ที่จะแต่จะไม่ละเลยเด็ดขาดเพราะบางแห่งผมพบว่าพระองค์ตรัสว่าทำที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีสองเงางคือไม่สันโดษในกุศลกับไม่ทิ้งความเพียรนะครับ เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ตั้งอยู่ในภาคคือส่วนแห่งคุณนะวิเศษที่สูงขึ้นขึ้นไปเนี่ยนะครับมีแต่ทําเพิ่มมีแต่เพิ่มเนี่ยนะทานก็ให้เพิ่มศีลก็เพิ่มปริมาตรไปเรื่อยๆนะครับสมถะวิปัสสนาก็เพิ่มไปเรื่อยๆสัจจะคันติอธิษฐานเมตตาหรืออะไรทั้งหลายแหลที่เจริญก็มีแต่เพิ่มยิ่งขึ้นนะครับอันของเราก็เราก็ดูถ้าเรามาเทียบเราบ้างนะว่าเออปีแรกที่มาบวชไหมศรัทธาขนาดนั้นปีสองเนี่ยศรัทธาเพิ่มไหม ถ้าเท่าเดิมหรือลดกว่าเดิมนี่แสดงว่าแย่นะครับปีสามปีสี่หรือปีที่สิบยี่สบสามสิบเนี่ยดูที่มันเพิ่มกว่าปีแรกขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าทั้งหลายเขาลงทุนเท่าไหร่ค้าขายไปสิบปีแล้วทุนเหลือเท่าเดิมหรือว่าดูหนี้สินเพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าผิดพลาดนะครับสแสดงว่าบริหารผิดพลาดกลายวิบัติแล้วล่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับประพฤติในอดีตเนี่ยนะสมัยเป็นพระมหาสัตว์เนี่ยนะ ท่านบำเพ็ญมีแต่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราฉะนั้นพระองค์ทำแบบนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงมีทรงพระนามวา่าพระตาวาผู้บําเพ็ญพุทธการธรรมเนี่ยนะดังนี้เมื่อควรขนานพระนามวา่าพระตาวาแต่กลับถวายพระนามวา่าพระขวะเพราะแปลงตาอักษรให้เป็นค่าอักษรตามนิยะแห่งนิรุกติศาสตร์นี่ยนี่ก็คือตามหลักของไวยากรณ์เนี่ยสามารถแปลงได้นนะครับคือ จะไปเรียกว่าะพระตาวาบั้งพระควาบั้งหลายหลายสับเนี่ยมันจำยากเอาพระควาสั์เดียวก็แล้วกันเหมือนนเถอะรวบรวมพระคุณดีไม่งั้นก็จะต้องเรียกทุกสัพทุกสั์ไม่ไหวนะเรียกแต่พระควาอย่างเดียวก็อมเนืความมหาศรรารเหมือนนเถอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับบทว่าพระตาวามีความว่าทรงสังสมคืออบรมไว้ได้แก่บเัเพพุทธรธรรม นะพุทธกราระธรรมนะบางแห่งใช้คําว่าพุทธกราระนะแต่ตรงนี้ใช้กะนะกระใช้ใช่ไหมพุทธกราระธรรมนะบางแห่งกราระด้วยนะครับนะตามที่กล่าวแล้วนั่นแหลพระพุทธเจ้าทรงพระนามวา่าพระขาเพราะหมายความวา่าทรงอบรมพุทธกราระธรรมแม้ด้วยประการชนนี้นะครับทีนี้ท่านก็แต่งเป็นคาถาประพันธ์ว่าเพราะเหตุที่พระโล ก, ก น, นาถนะผู้เป็นที่พึ่งของโลกนะ ทรงอบรมสัมภาระธรรมทั้งหมดสัมภาระธรรมก็คือธรรมที่ช่วยอุปการะนะต่อพูดแบบสัมภาระก็คือรวบรวมนะรวบรวมธรรมะที่ที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดอะ่ะมีฐานบารมีเป็นต้นอะ่ะเพื่อพระสัมมาสัมพุทธญาณฉะนั้นจึงถวายพระนามว่าพรนะว่าไม่เชื่อว่าพระวานะโอ้เพราะบําเพ็ญบารมีคู่ ค, ควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้าแล้วละจึงเรียกว่าพระวา มันคล้ายๆกับบอกวเขาเรียนขนาดนั้นแหละเขาจึงสอบได้มันคู่ควรเรื่อละหว่งงั้นคล้ายๆพูดสำนวนแบบเราๆนะ